เทศนาแผนที่82ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออิทธวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุราธานีแสดงคำในวันที่15นมิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าทำทานให้ส่งฐานบะ วันนี้เป็นวันพระควรจะมีพิธีกรรมไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลหนะ้านะแต่ถ้าผู้ใดจะสมาทานศีลแดก็สมาศาีลแ8ดในใจแต่อย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าเพรา ะ, ะนั้นวันนี้จึงให้พากันไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าเป็นพื้นฐานรองพื้นไว้ก่อนแต่ท่านผู้ใดจะรักษาศีลอมโบสถหรือรักษาศีลแปดก็ตั้งจิตอธิษฐาน ในจิตในใจของพวกเราพราพวกเราเคยอยู่แล้วนะผู้ที่ไม่เคยมารักษาสินห้าเนี่ยก็ควรจะปูพื้นฐานให้เคยที่ผู้เคยอยู่แล้วรักษาสินห้าแล้วก็เคยรักษาสิลอุโบสถรักษาสินแปดอยู่แล้วนั่นเราก็รู้อยู่แล้วว่า การวิรจเจตนาหรือว่าการชมาทานศีลหรือว่ารับศีลจากครูบาอาจารย์ก็เป็นพิธีกรรมพิธีการหนึ่งแต่ในใจของเราเราตั้งจิตวิรจเจตนารักษาศีลด้วยเจตนาของเราเมื่อเป็นศีลอยู่แล้วเราอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะนั่นเราไม่ได้แนะนําบอกกล่าวสอนการเพราะรู้อยู่แล้วนะแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่ควรจะมี เป็นการนำสมาทานศีลเป็นเบื้องต้นต่อไปก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเอาต่อนี้ไปก็ผู้หมวดนำไหวพระสมาทานศีลห้ากราบอิมินาสากาเลนาทางพุทังอภิปุชยามา าะมาพันเตสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสถาเย า, เามีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ลูกหลานฟังลูกหลวงพ่อออกจากวัดไปอสองวันที่แรกวันที่สิบสาม หลวงพ่อออกจากวัดของเราตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่าไปงานงานครบรอบร้อยวันของครูบาหมอเนี่ยที่ถูกค่าตายเมื่อวันที่หนึ่งมีนาอันนี้แปลว่าหลวงหลวงพ่อได้ไปงานครบรอบร้อยวัน พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสเขามาทำบุญวัดวั ด, วดต่อสีเสียดล้นหลามนะมากจริงๆก็มากพอสมควรเออคนเข้ามาเยอะทีเดียวทั้งท่านผู้ว่าท่านให้ท่านประจังหวัดและก็ท่านอดีตผู้ว่าอำนาจประกาฐเป็นประธานและก็ท่านนายทหาร รองผู้การเน้เขามาร่วมแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการดูดูแลก็อบอุ่นไปวันนั้นบิณฑบาตตอนเช้าแต่ออกไปตั้งแต่บ้านผือออกไปแลฝนตกออตลอดไปเลยไปถึงอุดรก็ฝนตกอย่างแรงอีกแถบนั้นน่ะหออลวงพ่อโองาน <c oughs> ของจจรละตุ่มเปะนาดูระมัง พอนั่งรถเข้าไปถึงบ้านตาดฝนแห้งหมดเลยไม่มีฝนเลยโอ้บุญบา ร, รมีของท่านหมอคูณบาหมอดคุ้มครองถ้าหากว่าฝนตกน่นคงจะได้ตุ่มเปะคนมากขนาดนี้ เ, เข้าไปก็ฝนก็ไปปลอยนินดๆหน่อยๆออก็บินตอนบินธบาทจากนั้นก็บินเทบาทก็ทำพิธี เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อเข้าไปบรรจุพระบรมสารีริกรธาตุบนเสียรพระประธานในศาลาข้างในที่ทางวัดกราบไหว้ทุกวันได้พระธาตุมาก็เลยบรรจุพระบรมสารีริกรธาตุบนเสียรบนพระเสียนพระประธานหลวงพ่อก็ได้ลากลับวันนั้น แต่ยังไงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเห็นแล้วก็อบอุ่นเห็นศรัทธาญาติโยมเขาม้าไปในงานร้อยวันของครูบาหมอจากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาพักอพอผ่านเข้ามาก็เห็นว่ามีเวลาอีกอย่างหนึ่งก็นานเมื่อวันเปิดโลกาธานุหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปในงานร่วมงานขององค์หลวงตาเพราะไม่สบาย ปวดหลังปวดเอวในช่วงนั้นไม่รู้เป็นอะไรต่อเมื่อไรสุกภาพโรคภยัยไข้เจ็บรุมเร้าพอไปคราวนี้ก็ผ่านวัดป่าบ้านตาดหลงพ่อเข้าไปกราบพระละวัที่เมนขององค์หลวงตาไปกราบที่เมนจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เข้าไปกราบลูกเหมือนขององค์หลา้าองหลวงตาที่กุฏิของท่านแล้วก็กราบห้องที่ท่านจุตินิานราภานพอกราบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะไป ถามไทยเจ้าอาวาสคือหลุงพ่อสุดใจนานๆเรานจะได้พบได้เจอกันเพราะท่านสุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยดีเราก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ไปคราวนี้ก่อนเห็นว่ามีเวลาเราก็เข้าไปเยี่ยมท่านแต่ลุงพ่อจุใจเป็นรุ่นน้องนะพรรษาน้องแต่อายุของท่านแก่กว่าลุงพ่อปีหนึ่งคือท่านท่านทำงานท่านทำ ท่านจบมาทางบัญชีแล้วก็ทำงานทกศแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะจากนั้นท่านก็ลาบวชกระบวชไม่ศึกเลยท่านปริญญาโทนะหลวงพ่อสุขใจแต่สุขภาพท่านไม่ดีเป็นภาคีสันฉันยายุดตลอดรู้สึกว่าเดินก็ย่องย่องนะไปที่ไหนก็ต้องประคองปีกอายุเจ็ดสิบนะสุขภาพไม่ค่อยดีก็นั่งคุยสนทนากันในเรื่องราวต่างๆ ที่ควรอยากจะทราบที่ควรอยากจะรู้เป็นที่เข้าใจนานคุยกันนานเพราะจงควรจากนั้นหลวงพ่อก็ได้นั่งรถมาก็ไปพักที่วัดรวมธรรมวัดรวมธรรมท่านรัตนะแล้วก็วันที่สิสี่เช้าเมื่อวานเป็นวันทอดผ้า ป, ป่าที่สีนครินจังหวัดขอนแก่น หลวงพ่อก็ได้ออกไปตั้งแต่เห็นว่าไปไ ป, ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คงจะไม่ไม่มันใกล้ละท่า น, นประมาณตั้งตีห้าออกไปก็ได้มั่งเลยออกไปไปกไปถึงที่นูน่นเกือบเจ็ดโมงตน้ตนๆจากนั้นหลวงพ่อเขาก็จับหลวงพ่อตรวจเลือดดูดเลือดตรวจเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจนานแล้วเกี่ยวกับไขมันคอเละสเตอรอลตับอะไรหลากหล า, าย ห, หลายเรื่องจากนั้นเขาก็บอกฉันยังหันเสร็จแล้วขอนมนสายเอ็กซลอีกหลวงพ่อก็ได้เตรียมตัวสายเอ็กซเเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วกดไดเอ็กซเ่ ray. ดูกระดูกหลังนะปอดหมอเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแปบลบว่าข่าวนี้ลอดไปแต่หลวงพ่อใครถามหลวงพ่อจะไปตรวจไหมหลวงพ่อตรวจหรือไม่ตรวจ หลวงพ่อก็คิดหนักใจเหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราไปหากระต่ายกระแตอีเห็นอย่างนั้นน่ะไปหามันก็ต้องเจออันนี้เราหาโรคในร่างกายไม่เจอหึงก็ตึกเจอหนึ่งไม่หาจะดีกว่ามาั้งอหลวงพ่อว่าเนี่ยเขาก็ว่าควรจะหาก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ดูแลรักษาก่อนแต่หลวงพ่อเออเอาเมืเ่อ เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายพ่อก็ได้ตรวจก็ไม่มีอะไรหรอกขาวนี้ผ่านไปแต่ใจไอ้คอเลสเตอรอลครับไขมันยังมากอยู่นะอย่างมันลดอยู่แต่ก็ไม่มากแต่ก็มีมากอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นอันตรายอันนี้น่นแหละเรื่องการตรว จ, จุกภาพนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ 15. มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 8เมื่อวานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะนัชท า, า ญ, ญาติโยมโลูกลานเป็นงานทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนคริน เราทำมาทุกปีปีนี้ก็ปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็บทอดกันปีนี้ก็เนี่ยเมื่อวันที่สิบสีเมื่อวานคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์รู้สึกว่าอบอุ่นเมื่อวานเนมื่อวานอู้ฟู่นะทั้งที่เศรษฐกิจต่ำแต่ต่างคนก็ต่างทุ่มเทใส่กันได้เงินเท่าไหร่เมื่อวานนีหกล้านห้าแสนหกหมื่น สามร้อยสามสิบเก้าบาทเมื่อวานปีที่แล้วได้สี่ล้านปีก่อน6หกล้านทวนหกล้านต้นๆแต่ปีนี้เป็นบบที่ทำพอดผ้าปาประจำปีมาปีนี้เราสึกว่ามากนะเราไม่ว่านะในช่วงที่เราทอดผ้าปาหาทุนเพื่อสร้างตึก วันที่เราหาทุนสร้างตึกอันนั้นไม่ว่ากันตัวนั้นว่าได้เยอะได้สิบกว่าล้านฮะคลาวนั้นอะตะวันได้มากที่สุดที่เราหาทุนมาเพื่อตกแต่งตลอดถึงซื้อเตียงอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลข่ลาวนั้นได้มากกว่าทุกครั้งแต่ตัวนั้นไม่ว่ากันเพราะเราะดมทุนแต่ข่าวนี้เราเพียงแต่หาทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธ มีความจำเป็นปีห้าเจ็ดใช้เงินประมาณสองล้านกว่าปีห้าหกใช้เงินสามล้านกว่าปีห้าเจ็ดเราใช้เงินทางส่วนราชการเพราะพระก็เป็นพี่น้องประชาชนบัตรทองเหมือนกันนะ เ, เราจะไปเอาแต่หมู่นิทิไม่ได้เราก็ต้องเอาเงินของส่วนกลางมาด้วย เ, เพราะว่าเป็นพระก็เป็นคนของประเทศชาติ เพราะนั้นก็ต้องเอาเงินค่าเหมือนกับประชาชนทั่วไปจํานวนที่เหลือมีความจำเป็นยังค่อยเอาปัจจัยจุจำนวนใี้สมทบเข้าไปเพราะในปีที่แล้วเนี่ยใช้นใช้น้อยสองล้านกว่าแต่ปีนี้เราหาทุนได้หล้านกว่าก็แปลว่าได้กาไรมากทีเดียวล่ะแต่อยเอาเข้าเป็นมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น เมื่อวานเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้ามาก็ล้นหลามหลวงพ่อเองก็ได้พูดนิทานชาดกสาธกขึ้นมาพอคอยพี่น้องประชาชนรวบรวมปัจจัยหลวงพ่อพูดเป็นชาดกสองเรื่องนะเมื่อวานเนี่อเรื่องนายงอนนายงอนไม่ใช้นี่นายสวยัยแล้วก็ตายเป็นควาย อันที่สองเกิดลูกสะาไพกับแม่ย่าไปมัดลูกสแม่ย่าไว้ในตีนเขานะแล้วก็เอาเทวดาเอาขนไก่มาแยงจมูกหลวงพ่อพูดสองสองเรื่องเมื่อวานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนฟังดีเหมือนกันนะหลวงพ่อเล่านิทาน น, ะ <c oughs> นิทานชารกสอนคนนะแล้วก็ เมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อกไ็ไปเยี่ยมพระป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอีกที่ท่านเป็นพ่อครูที่ท่านเป็นผู้เจตนาดีที่สร้างโรงพยาบาลงบ20กว่าล้านแต่ท่านมาล้มป่วยซะแตยังเหลืออยู่สองวดเก้าล้านมั่งถามทั้งคุณหมอพูดเราจะเตรียมเงินถ้าวันท่านยังมีชีวิตอยู่งคงจะไม่มีปัญหา แต่นี่ยังขาดอยู่เก้าล้านที่จะทำให้เสร็จได้ท่านมีเจตนาดีท่านอาจารย์พวกครูเนะดินไปเยี่ยมท่านท่านนอนสลบนิ่งหายใจขแม้เแมวเห็นแล้วก็โอ้เอออันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วเขาหนาเราเนาท่านหนาเราเน่ะนี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเมื่อวานก็ไปเห็นเทวทูตทูตบอก เรื่องเราเหมือนกันนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอันนี้เห็นแต่เขานะ่ะอีกสักวันหนึ่งเขาอาจจะเห็นเราอีกต่างหากนะเพราะฉนั้นทีเขาทีเรานะให้ระมัดระวังระมัดระวังยังไงหลวงพ่อนะจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นะี่แหละเมื่อวานกับไปไหลายๆเรื่องนะกลับมาถึงวัดกเกือบสองทุ่มนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลาน อันนี้เป็นการกล่าวเรื่องราวให้คณะจตหายาจมลูกหลานได้ทราบนะนี่แหละจะถูกปัจจัยของวัดเราเนี่ยวัดเราเราหลวงพ่อหมวงพ่อประกาศเมื่อวานหลวงพ่อมือตกในะปีนี้นันลูกหลานนะเพราะหลวงพ่อกคิดในใจอยู่ว่าทั้งหลวงพ่อครูออกมาให้ทั้งหลวงปูล่ลีแล้วก็จะถูปัจจัยที่ได้มาคิดว่า น่าจะพอพอเพียงในการใช้หลวงพ่อก็เลยหมุนเบนไปทางอื่นเบนไปทางอื่นคล้ายๆก็ให้รัตนะบางเพื่อสร้างกำแพงบั่งเพื่อสร้างอาคารเรียนหอไอ้ลงทานอาหารให้เด็กน้องสูงบั่งหลายบ้างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อก็ประกาศเาล้วหลวงพ่อมือตกนะลูกหลานนะหลวงพ่อเอามาร่วมสมทบ 10,000 แบาท หมูนิติหอพิบาลสงหลวงปู่มันตะกอนนะหลายแสนนะแตปีนี่วันนี้ปีนี้ให้ถวายท่านหนึ่งแสนและจะตกปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมถวายหลวงพ่อมาเนะี่ยเป็นใส่ซองเข้ามาเนะี่ยหลวงพ่อไม่ได้แกะนะใส่ในซองสีน้ำตาลเลยก็มอบให้ทางโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วก็จะตกปัจจัยที่หลวงพ่อให้ไปตามผู้ที่มาเกี่ยวข้อง<ๆ>ก็ให้เขาสงมาทาง ส่งมาตามจดหมายนะส่งมาให้ทางโรงพยาบาลศรีนะครินเลยหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมนการว่าใดมากน้อยแค่ไหนคงจะหลายล้านอยู่มั่งหลวงพ่อกับว่ากันนะวะโดยมากคนเราต้องเอาดีเข้าตัวเองใช่ไหมทังโยมขอนแก่นก็บอกว่าหลวงพ่อทำไมไม่ประกาศลูกศิษย์ลูกหาที่สมทบเว้ยประกาศทำไมลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ย ถ้าประกาศไปม <buat S 1> ันลูกศิ์ลูกหาผู้อื่นเขาถวายเป็นแสนแสนหลายแสนหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยพวกเราลูกชิ์ของหลวงพ่ออิเนี่ยเอาเงินเศษกระดาษเอาเงินเศษกระเป๋ามาถวายแล้วให้หลวงพ่อประกาศแล้วหลวงพ่อไม่ประกาศหรอ่าอายอายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ประกาศไอถ้าให้ขึ้นมาแล้วให้เป็นแสนบ่สองแสนเออหลวงพ่อจะประกาศให้อยุกว่าไอ้เงินจิบจ่อยหลวงพ่อไม่ประกาศหรอกว่าหลวงพ่อว่ายังไงนะ อแล้วก็นี่ได้ยินหลวงพระองค์หนึ่งจเจ้าวาดองค์หนึ่งนะนไปในงานงานศพพระแต่ในทางวัดเขาก็ไม่มีนะเขาเอาหมอนพิงมาหมอนพิงมาเสือหมอนพิงขา ด, ขาดมาท่านะองค์หนึ่งก็เลยพูดบอกว่าเอยเอามาทําไมมันขาดแล้วเอามาขายขีน่าวัด เออถ้าเอามาก็ต้องหมอนดีๆสิมาตอนรับขับสู่แขกคนเอานี้ของมาดีๆพบของไม่ดีหมองหมอนขาดมาเอามาทําไมไม่เอามาดีกว่าอ่ไม่เอามาดีกว่าเอ่เพราะว่ามันหมอนมันขาดเออเอามาขาดมันขายหนาลุงพ่อออกมาพี่นาดูอีกเหมือนกันะถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามต้องรู้จักกาละเทสะเราจะไปประกาศชุมสีชุมหาไมด้มันขายหนานะ หลวงพ่อวานฝังๆอ่ะนะลูกศิษย์ลูกมานะโอ้ยถ้างั้นก็ถ้าจะให้ถวายหลายก็ไม่ไม่ก็มีเงินถวายหลวงพ่อเลยไม่ถวายเอาไว้ในกระเป๋าไว้ก่อนไม่ต้องถวายเก็บไว้นั่นแหละถ้ามันมีมามากๆคนไข้เอามาให้ตลอดหลวงพออ่อท่านรวมกันเออเอามาเป็นก้อนขึ้นมาย้กระจิตกระจ่อยแล้วให้หลวงพ่อประกาศคนละห้าสิบสตะตังคนละเฉลิงลงูกศิษย์หลวงพ่อเองเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาค่ะ หลวงพ่อเนี่ยมีเท่าไหรหลวงพ่อควักกระเป๋าออกมาแล้วกะรู้จักข่าวนี่ควรจะให้มากให้น้อยแค่ไหนฮะหลวงพ่อจะดูเองเอแล้วก็นในวันที่ยี่สิบเก้านี่ถอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศูนย์อุดรเท่ที่ยี่สิบเก้านะหลวงพ่อก็คิดคิดดูมัน่นการจะได้ควักกระปุกออกไปได้เท่าไหร่แต่นี้แต่โรงพยาบาลศรีนะครินทะร์เนี่ย แปลว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะตั้งตัวได้แล้วนะอฟังๆดูแล้วตั้งตน ต, ตั้งตัวได้พอสมควรแล้วเงินหมู่นิธิก่อนนั้นนะแต่ของหมูลนิธิของวัดของไอโรงพยาบาลศูนย์อุรเนี่ยยังยังต่ะแตะอยู่เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องระดมระดมทุนบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่หนักใจ ก็เงินกองกลางเงินกองการ ก, การุศลเน่ยหลวงพ่อไม่เคยหนักใจมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นล่ะเราอยู่อย่างพระหลวงพ่อประกาศแล้วหลวงพ่อเองอยู่อย่างพระมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยไม่มีไม่ใช้ใช้ทําไมเพราะมันไม่มีนะเนี่ยกะนั้นหลวงพ่อจึงไม่หนักใจไม่หนักใจกับเรื่องปัจจัยสี่อย่างหลวงปู่จามพูดหลวงปู่จามท่านบอกว่า อย่าไปเรื่องจะไปนหนักใจกับเรื่องปัจัจเงินเงินทองทองปัจใจสิอย่าไปนหนักใจถ้าเขาให้มาแล้วก็ใช้ทำไมให้มาจะไปใช้ทาไมการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีเงินเท่านั้นจึงจึงเป็นบุญเป็นกุศลรักษาสินก็ใช่ไม่ต้องลงทุนอะไรรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็เป็นสินทานอนิสงทานร้อยครั้งสู้รักษาศินบริสุทธ ครั้งหนึ่งไม่ได้จากนั้นกับภาวนาเอกตั้งภาวนาทำจิตใจให้สงบอีกภาวนาไม่ต้องลงทุนอะไรมากพี่จะนั่งสมาธิดูจิตดูใจของตนเองในเมื่อจิตของเราจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งนั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ แสดงว่าเนี่ยเรื่องทานก็ตกไปแล้วใช่ไหมมารักษาศีนก็ยังตกไปอีกเรื่องภาวนาเนีอันนี้สูงมากกว่าอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นการทําคุณงามความดีเราไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่ทานรักษาศีนก็ได้ภาวนาก็ได้ แต่ถ้าอย่างนั้นไม่จําเป็นจะต้องทานหลวงพ่อหรือใช่ไม่ต้องทานก็ได้ไม่เป็นไรแต่คนไม่มีทานคนไม่ยินดีในการทําบุญทําทานเกิดมาพบหน้าชาดหน้ากับเป็นนักพจนักปวดเวลาไปบินธบาทก็หาคนที่จะใส่บาตรก็ไม่ได้ใชไหมเพราะเหตุไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีนะี่อย่าไปบ่นนะใชนไหไปเห็นเขาล่ารวยคือนมาไปอิดช้าเขาเน่ยตกนรกเองใช่ไหมเพราะเหตุไรเพราะตัวเองขี้เกียจในการขนขวายทําทาน อันนี้สงทานก็ให้ไปอย่างหนึ่งอันนี้สงศินก็ให้ไปอย่างหนึ่งอันนี้สงภาวนาก็ให้ไปอย่างหนึ่งแต่อันนี้สงภาวนาเนี่ยคืออันนี้สงที่ยอดเยี่ยมคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพน้นจากอาสวักิเลสเนี่ยคือภาวนาเท่านั้นเอ่เพียงรักษาศินเท่านั้นไม่ได้เพียงให้ทานเท่านั้นไม่ได้พระพุท ธ, ธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา Ländern สัมโพธิญาณคือท่านา น, านั่งภาวนาเนี่ยนะภาวนาเนี่ยยอดเยี่ยม ถ้าคนจะรักษาศีลมากขนาดไหนก็ให้ทานมากขนาดไหนก็เถอะทำไมภาวนาไม่ได้เป็นพระรหันพูดง่ายง่าถ้าหาว่าผู้ใดก็ตามถึงไม่ให้ทานก็ตามไม่ได้รักษาศีลก็ตามแต่นั่งภาวนาเอาจริงเอาจัง เ, เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระรหันแล้วก็จบไม่จําเป็นต้องให้ทานรักษาศีลใจบริสุทธิ์แล้วนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการภาวนาเลิศประเสริฐกว่าการ รักษาศีลการให้ทานแต่ถ้าว่าเรายังเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอยู่อันในสงทานอันในสงศิน่มันต้องจําเป็นต้องได้ใช้มันเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนถ้าว่าเราเกิดนะมาในพบใดชาติใดเราขี้เกียจทําทานมีแต่หากินใส่ปากใส่ท้องตัวเองนะ่ะเออไม่ทําทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้ากเกิดมากับทุกอ ย, ากย่างทํามาค้าขายอะไอะไรอะไ ร, ะไรก็ไม่จเจริญรุ่งเรือง เพราะอนิสงทานไม่มีไม่เกื้อกูลหนุนต้องขยันเอาเต็มที่จึงพออยู่พอกินที่ลาบลอยมาหรือว่ามีคนสนับสนุนมาหรือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่พึงไม่คาดคิดว่าที่มันจะมาลนะาบอย่างนั้นจะไม่มีเพราะอไรเพราะอเนกสงฆ์ตัวเองอเนิสงทานเราไม่มีแต่เมื่อเราไม่รักษาศีลเรามีอะไรเราฆ่าดาไปหมดขโมยดาไปหมด สิ่งไหนที่มันผิดศีลห้านะเราทําไปหมดเกิดมาพบหน้าชาดหน้าอย่างน้อยชีวิตของเราก็สั้นอย่างนั้นก็มีคนมาเบียดเบียนไม่เคารพในทรัพย์สมบัติของตอนเองมีลูกมีเมียมากัดมีแต่เรื่องทะเลาะวิ่งแว่งกันเกิดมาพบหน้าชาติหน้ามีแต่คนต้มตุ๋นหลอกลวงเราเพราะในสงศีลห้าไม่มีไม่ได้คุ้มครองถ้าเรารักษาศีลห้าชีวิตของเราก็ราบรื่น แล้วไม่เจ็บใครได้ป่วยเพราะเป็นคนมีศีลคุ้มครองแล้วไปสมบัติที่ไหนเขาก็ไม่รังแกเบียดเบียนสามีภรรยาก็พูดกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีใครกม้มต้มต้มตุนโกหกเราศีลข้อที่ห้าเกิดมาจติตสมของเรากสมบูรณ์ไม่ปั๊มปั๊มเปอรเพ อ, เ, อเพราะเหตุอะไรเพราะศีลห้าของเราคุ้มครอง จากนันก้นเราก็ภาวนาใจของเราก็พ้นทุกในวัะสงสารได้ไปได้นี่แหละสรุปแล้วก็คือทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยเราจะนับนั่งภาวนาอย่างเดียวก็ใช่เอาเลยนั่งภาวนาพบนี้ชาตินี้หมดกี่เลืแล้วก็จบเลยไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องอพึ่งพาอาศัยทานศีลล่ะแต่ถ้าเราขี้เกียจภาวนาต้องทาาําทานไว้นะเอต้องทาาําทานไว้ ต้องรักษาศีลเอาไว้ถ้ามีพบมีชาติเกิดไปต่อไปภายภาคนา น, นั่นแหะแต่ท่านเราขี้เกียจให้ทานรักษาศีลนั่นแหะแต่ความชั่วสิ่งที่มันไม่พึงปราถนาจะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนี่แหละที่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นถลงพ่อบอกว่าเหมือนสามขาหยั่งมันค้ากันมันค้ากันเพราะนั้น ให้พวกเราจะยืนขาใดขาหนึ่งไม่ได้มันล้มถ้าสามขาอย่างทางทานกับข้ําทางหนึ่งศินอํานวยความสะดวกทางหนึ่งภาวน า, าก็ไปอีกทางหนึ่งอํานวยความสะดวกให้หลุดพ้นจากอาวกสวัคเกเรตรู้ดีรู้ชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักควรไม่ควรใช้ปัญญาภาวนาเห็นไหมนะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจ อย่ตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกเตือนพวกเราไว้อยู่เสมอตายแล้วไม่สูญแต่มเมื่อวานก็ได้ไปพอฉันจังหวัดเสร็จแล้วก็ในให้ท่านรองอธิการบดีกับอาจารย์หมอสุกชาติที่คณะกรรมการมูลนิธิพาคณะสงฆ์พาหลวงพ่อขึ้นไปกราบคารวะหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะ ที่ท่านอยู่ชั้น5้าโรงพยาบาลอยู่ในห้องประชุมห้องใหญ่ท่านก็เขาก็ใส่หีบจะเต็นเลตแต่เขาจะเปิดให้ผู้บุคคลสำคัญที่เป็นสิทธิานุศิทธิบุคคลสำคั ญ, คคคญขึ้นไปกราบแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ไปกราบก็จะให้กราบอยู่ชั้นล่างเขาจะมีถ่ายถ่ายแบบถ่ายวีดีโอ กล้องวงจรปิดลักษณะอย่างนั้นอ่ะให้ลงมาข้างล่างเาเห็นลูกแล้วก็กราบอยู่ในโทรทัดกราบลูกหลวงพ่อคูณแต่เมื่อวานเนี่ยเาเปิดให้หลวงพ่อกับคณะสงฆ์ที่ไปทอดผ้าป่าคราวนี้ขึ้นไปกราบที่ศพของท่านแล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวคำคารวะในสรีละของหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อเออหลวงพ่อคูเนะี่ยเป็นผู้มองไกลจิตใจเด็ดเดี่ยวถ้าหากว่าท่านเอาสรีระของท่านไว้ที่วัดน่คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรแล้วก็เอามาที่นี่ท่านก็สั่งเสียอีกเงินทุกบาททุกสตังค์ที่คนมาทําบุญในงานศพของเราเราให้ไปแล้วหนึ่งแสนกูให้ไปแล้วหนึ่งแสน จัดงานศพถ้ามันไม่พ อ, อก็คนมาทําบุญกับงานศพกูก็หักไว้ซะแล้วจำนวนที่เหลื อ, อมันเหลือจากการใช้จ่ายแล้วให้เอาเข้าดูแลสงอาพาณนะเนอเงินของกูในเมื่อเอาไปเมื่อถึงกำหนดเขาเรียนวิชาจากร่างกายกูแล้วให้เอาไปเผา เอาไปเผาเเอากระดูกไปลงลอยไปน้ำขโขงฮะหลวงพ่อคูณสั่งนะอันนี้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์หมอสุขชาตินะเราเล่าให้คณะสงฆ์เรารอให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออื้งเราของหลวงพ่อก็ถามจะจะตุปะจได้มากเท่าไหร่อาจารย์ได้ห้าสิบสามล้านแต่ใช้ไปในงานทุกอย่างของโรงพยาบาลศรีนครินหมดไปแปดล้าน ยังเหลืออยู่ปัจจัยอยู่40กว่าล้านแต่ใ น, นคณะกรรมการก็เลยจะประชุมกันหารือกันว่าเงินก่อนนี้เอาอย่างไงจะเข้าทํานองไหนอย่างไรหลวงพ่อเอก็ดีประชุมกันก่อนแต่ถึงยังไงอย่าทะเลาะกันนะ้ายาทะเลาะกันเงินที่หลวงพ่อคูณที่ท่านมอบให้เอาไปใช้อย่างไงก็ให้ตกลงกันประชุมกันหารือกัน ในบรรดาศิษย์ด้วยบรรดาครูบาอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยด้วยแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมพินัยกรรมของหลวงพ่อคนูนอ่านให้ชัดเจนเน่ยข้อไหนข้อไหนข้อไหนให้ชัดเจนถ้าอ่านไม่ชัดเจนคนท้วงติ่งมาทีหลังนะ่ะไม่ได้ไดเดี๋ยวเหลยวเติดคุกนะตุกวันนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะจะไปทําล้อเละไม่ได้นะไปเบนหน้าเบนหลังไม่ได้นะ คำไหนจะเป็นต้องเป็นคำนะั่นคือคำสั่งของคนตายเนี่ยสำคัญนะหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดเท่านั้นแหละเมื่อวานเห็นะเอาต่อเ น, นี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรฝนะนกําลังมานะลูกหลานนะเสียงฝนกําลังรบ ก, กวนรับพรนี่ทีนะี้เนี่ยหลวงพ่อได้เล่าอะไรให้ลูกหลานคณะสัต ย, ยาญาติโยมได้ฟังเพื่อเป็นแนวความเคิด เพราะว่าพวกเราต้องอสสาศัยการได้ยินได้ฟังมียังไงบ้างอะไรบ้างฮนะพวกเราก็ได้ฟังพอฟังแล้วกันติดตามแนวความคิดที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังพวกเราฟังแหนะผิดหรือถูกพวกเราก็แยกอีกที่หนึ่งนะไม่ใช่เสนามักกีกาหลวงพ่อบอกยังแต่ฟังอย่างนั้นก็เชื่อไปอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละพวกเราฟังฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และจากนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสิส่งไหนที่ฟังแล้วกลืนกลางๆเป็นเท่าสีเทาเราก็เอาไว้ก่อนฮะอย่าไปพึ่งอย่าไปพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งไปเชื่อนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละการฟังต้องเป็นอย่างนั้นนะ